ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านฝ่ายท่างบรนปรจฉิากิหัสวันนี้เป็นวันธรรมสวนะุวรรณะเป็นวันพระแรมแปด่ามเดือนที่เอ็ดเป็นวันที่เราพุธ บ, บริบัททั้งหลายได้มาพร้อมกันชุมนุมเพื่อรักษาอุโบสถเพื่อบำเพ็ญบุญกุศล โดยการ้องเพ็ญทางน้ำใหม่ศีลน้ำใหมยภาวนาใหมยให้สมเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์เส็จเรามาเจริญพระกรมมฐามเจ็ดวันมาวันโกนสามวันก็มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์การปฏิบัติธรรมตามล็อกที่เข้ามาตามกันรานปฏิบัตินี้มันสะดวกในสงข้างดูวกัน ก็ได้รับประโยชน์ทั้งสองข้างฝั่งแต่การมาปฏิบัติธรรมนั้นก็เข้าในหลักทานนมัยศินนิมัยภาวนามม่ทั้งสามประการนั้นแต่ทานนมัยบุคคลก็ไม่เข้าใจเข้าใจว่ามาถวายฉลองทานอย่างนี้ถวายปัดใจถวายไล่เรียกว่าทานนามัยไม่ใช่ทานนิมัยประกอบไปด้วยการเสียสละและจาระ การให้การช่วยเหลือการเมตตาต่อกันมีความเอาใจใส่ด้วยความเมตตาและการอัธยาศัยจะแสดงออกซึ่งนอกหน้าและการช่วยเหลือซึ่งการเลดกันนั้นเป็นทานะไมทานไมนีประกอบไปด้วยการให้การช่วยเหลือการเสียชละ การเส้ยเวลาให้ได้ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตนเอามาเป็นส่วนรวมเรียกว่าทานสามัยศีลสมัย <c oughs> คือการราเป็นสิงศิลแปลว่าอะไรตอบได้ง่ายง่าย ส, ส, สั้นๆก็แปลว่ากปกติศิลจะปกติได้ เราทำอย่างไรถึงจะปกปติคนนั้นทรงประกอบสติฉัมปัญญะเราเลึอกอยู่เสมอว่าเราทําอะไรอยู่สัมปัญญะรู้ตัวอยู่ขณะ น, นี้เราทําอะไรถูกหรือผิดถูกต้องตามกาลองของชีวิตหรือไม่จะะาำได้อย่างนั้นจึงเรียกว่าศีลใหม่ประกอบด้วยสติปัญญารู้ลอก อบคิดรู้สิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าสิ่ภาวนาใหม่นั้นการเจริญกุศลภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน <c oughs> เจริญสติปัจจานสิที่เราดำเนินงานอยู่ในปัจจุบั น, น้นะ่ใหเรามีสติปัญญาสามครบทั้งฌานลาใหมา่สิ่ละใหม่และภาวนาใหมา่ ภาวนาให้เกิดปัญญาอรอบรู้ให้เกิดปัญญาทราบเหตุผลขยันในหน้าที่ ก, การงานสองไม่ปรมาทสามมีปัญญารู้เหตุผลแก้ไขปัญหาที่ตนเกิดขึ้นได้จัดการจัดงานเรียบร้อยจะทําอะไรก็ทําให้เรียบร้อยไม่มีรายตกค้างแต่จะการใดอย่างนี้เรียกว่าภาวนาใหม่ แล้วออกไปด้วยการภาวนาเจริญสติปัฏฐานสี่กายนุปัสนาสติปัฏฐานกายจะยืนกายจะเดินกายจะนั่งกายจะนอนจะเลี้ยวซ้ายหรือจะไปแลกขวาจะคู่เหยียดเหยียดขาก็มีสติสัมปชัญญะภาวนาไว้ภาวนาในการเปลี่ยนอริยบทต่างๆ แล้วท่านจะเรียบร้อยท่านจะมีมลายาบดีทำอะไรก็สวยงามน่ารักน่าใครน่ายินดีอน่าปีดานี่ยการเจริญภาวนาอย่างนั้นการยืนเดินนั่งนอนเหลีลยวซ้าแลียวขวามีสติเช่นยืนหนอห้าครั้งเป็นต้นมีสติระลึกอยู่เสมอยืนตั้งแต่ที่จะกลงไปปลายเท้าจากปลายเท้า ยืนต่างสมาีไว้ตามติดขึ้นมาถึงสื้จ่าถึงกระมงแบนร้าคนคลื่นจิตสดีนะั้นสำหรับผู้หัดใหม่ทําตามอย่างนั้นแล้วรับรองท่านจะต้องได้ภาวนาใหมา่บุญสมเด็จด้วยการภาวนาท า, านใหมา่บุญสมเด็จด้วยการให้การช่วยเหลือ <c oughs> การเสียสละ ศีลนามายต้อสําเร็จด้วยการมีสติสมัมปชัญญะสัาเร็จ ด, ด้วยการตั้งมาตรฐานด้วยความไม่ประมาทในจิตตั้งสติวไว้สมัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ข้นหนเวลาการนั้นภาวนาไมา่นั้นสําเร็จด้วยการภาวนาทุกอย่างเช่นจะภาวนายืนหนอห้าครั้งก่อนจะเดินตรงกลมเป็นต้นยืนตั้งแต่ที่สะลงไปคลายเท้า ทำช้าๆให้สติทั้ษิตรูด้วยกันได้ถึงจะเกินภาวนาถึงจะเกิดภาวนาให ม, า ม, มยย่ไม่ปุยะปุชลเกิดบุญที่เรายืนหน่ห้าครั้งมีสติทัมปจัญญะทุกปรตกามทำให้เรามีปัญญารอบรู้ทำให้เราแก้ปัญหาจะไม่สร้างความทั่วในตัวเองอีกต่อไปเพื่อค้นซึมเล่นลับในตัวเองยืนกำหนด หครั้งท่านจะรู้กดแห่งกรรมว่าท่านทําอะไรไว้มือเวงกรรมอะไรบ้างไม้ทั้งอดีตที่ผ่านมาท่านจะเป็นเด็กจะลึกเหตุการณ์ได้ในการยืนกําหนดรู้กดแห่งกรรมจากการกระทําด้วยการจเจริญะกรรมฐ า, านถ้าทาจริงบางคนทําไม่จริงทําเล่นๆทําแล้วก็ไม่เสมอต้อนเสมอปลายก็จะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเลย ทำทั้งหลายที่มาใหม่มาเก่าก็ตามก็ขอให้ทัานกายทาอย่างนั้นยืนหนอห้าคลางให้ได้งั้ว่ายืนหนอห้าค้างได้โดยการหลับตาพิจารณาตัวเองพิจารณาตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองดูแผนที่ของชีวิตว่าจิตใจเป็นอย่างไรมันแลกออกไปทางไหนบ้าง <c oughs> ออกไปเหนือมาต้ายอย่างไรบ้างเราจะได้รู้เราจะได้ทราบจะได้แก้ไขขณะปัจจุบันนั้นให้ทําในปัจจุบันนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เอาปัจจุบันอดีตไม่เอามันผ่านไปแล้วจะไปอนธธกคึิทาไมเราอนาคตมันอยู่อีกไกลจะจับมันนม่นทดไมตายผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตอันนี้สาคัญมากจึงต้องกาหนดติดในปัจจุบัน ยืนหนอนี่ไม่เคยทำง่ายนะทายากมากแต่บางคนทําไม่เป็นหลับตาก็ดืงหนอแต่เพือใช้ปาดยืนแต่ไม่มีสติเดีย๋ยวต้องผ่านจากพิษะลงไปปลายเทา้าจากปลายเทา้ากลืนพิษะห้าคลางจัดจ่าปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีเนี่ยมูละกรรมฐานแปลว่าห้ า, า, าปัญจหา้ า, หาเจชาโลมานขาทันตาตาโจตาโจทันจานะขาโลมาเตสา เรายืนหนอ่ห้าครั้งนะ่ะเป็นกรรมฐานมูลและกรรมฐานแต่เกิดมาจากทองขามารดาแล้วเพสาโลมามีมาแล้วเราก็ต้องการจะมีสติสัมปัจจัยอยู่ตรงนั้นไม่ต้องว่ายืนหน่่ห้าครั้งตั้งสติไว้อารมณ์จะได้ดีอารมณ์จะไม่เสียอารมณ์จะได้คงที่คงวาคงศอกมีสมาธิภาวนาเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นว่าให้ทํำใาานปัจจุบัน ยืนหนออย่างนั้นลงไปแล้วก็ยืนขึ้นมาทบทวนชีวิตคนของเล่นรับในจิตใจว่าดูทั่วประการใดถ้ามีสติดีสมาธิดีจะบอกให้เราได้ว่าเราทำผิดมาเราไม่ดีมาเลยเราควรจะแก้ไขตัวเองในปัจจุบันนี้เองอนาคตวันขนา้างหน้ายังไปไม่ถึงและยังมาไม่ถึงหลัง ไม่ควรจะปลาลบเรื่องนั้นแต่แต่การใดอันนี้ต่อเป็นเรื่องสำคัญสำรับทำเจริญประกรรมาฐาน็นยืนหนอยืนหนอให้ขึ้นมาสามั้งแต่ทตี่จะลงตายเท้าหลับตาพิจารณาตัวเองส่ยืนขึ้นมาห้ายืนลงไปแล้วก็ลืมตาลืมตาอย่าไปดูไหนดูที่เท้าอย่างเดียว ดูที่เท้าอย่างเดียวอย่าไปดูที่ไหนขวายกมาสองนิ้วแล้วก็ออย่าง <c oughs> แล้วลงหนอพอดีซ้ายก็เช่นเดียวกันยกมาหน่อยแล้วก็กลาวย่างแล้วหนงหนอนดูที่เท้าจะได้บาร์ปัจจุบนรรันจะทำจิตจะออกไปไหนจะได้กําหนดมันรู้ถูกต้องได้ผู้มาปฏิบัติไม่ใช่ว่าง่ายเลย น, นันเอ มาเดียวเดียวกลับแล้วสองวันครสามวันมันที่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยกลับไปหน้าที่ได้เวลาที่มีประโยชน์เหลือเกินจากการปฏิบัตินี้ล่อยเวลาล่วงเลยไปเปล่าปราจากประโยชน์ท่านจะได้อะไรต่อกรรมาฐานบ้าท่านจะมาได้อะไรเลยจะเสียเวลาไปเปล่าตัวเองก็ล่วงเลยไปชีวิตก็หมดไปตามวันเวลาส่วนพระทิศไม่คอยท่าวันเวลาไม่คอยใคร แล้วไหนแล้วเราจะได้อะไรต่อกรรมาฐานในขณะปัจจุบันขณะ น, นี้อันนี้มีความหมายมากขณะที่เดินจงกรมอยู่นานทามีอะไรขึ้นต้องดูดดูดกาหนดเพื่อให้รู้เพื่อให้อย่าให้คาสติกําหนดว่าสตมันคิดอะไรอะไรหลายอย่างกําหนดที่ยิ่งติบางคนก็มาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นกับเป็นอย่างนี้จะคิดอย่างไรก็กําหนดบอกทุกวันซะ เราสอนทุกวันจ้างให้กำหนดตรงไหนลิ่นปีใงกำหนดคิดคิดหนอคิดหนอมีสติระลึกดูเสมอสัมปชาญญายาลู้ตัวจะได้คิดออกบอกได้ใช่เป็นเห็นตัวปัญญาเราจะรอบลู้ในกองตามสันขาเนี้ยจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้ เราจะได้ใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายเราจะได้คลายชีวิเราจะได้บำบิดชอบเราจะได้ประกอบบุญศนได้โหนาน้นเป็นหลักฐามน้าคําเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าแต่ตัวท่านทั้งหลายการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่ของง่ายแต่มันง่ายสาหรับผู้ที่มีศรัทธาทําด้วยความตั้งใจบูชาเสียสละเวลาทางบ้านถวายริโภรทของตนมาแล้ว ยังไม่สนตายอีกมานนั่งคุยกันตาลบเหลี่ยนคนนั่นตาลบเหลี่ยนตรงนี้ทานจะไม่ได้อะไรกลับไปมีแต่ทางขาดทุนขาดทุนเรื่องบุญและ ว, ว่าความสุขท่านจะไม่เกิดขึ้นจะได้แต่ความทุกข์ตลอดเลการจะมีบาปอยู่ในใจบาปและ ว, ว่าความทุกข์ทุกเรื่องโน่นเรื่องนี่ต่างๆนานาประการมันเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทั้งตัวท่านเอง นี่ใช่คนอื่นมาทำให้เราเราคิดความทุกข์เกิดขึ้นกัตัวเราโดยเฉพาะไม่ใช่คนอื่นทำให้เราทาเองโดยเฉพาะไม่มีใครเขาทำให้เราแต่การใดน่ยการเดินรงกลมนี่สาคัญมากบางคนไม่เดินเอาชนะถ้าท่านจะได้เครื่องไม่ครบไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่หลอกลวงกองการทั้งขามัาตาตาการั้ไหนเลยเราทารัาทั้งตาทั้งตง ไหนละเหณะที่ความไม่ประมาทมันจะเกิดขึ้นท่าจะรู้ไหมเหมือนอย่างเครื่องอะไรมันขาดไปอย่างมันจะไม่ครบเครื่องแล้วก็สิ่งนั้นก็จะไม่ครบเวลาที่อจะผ่านมาและผ่านไป <c oughs> <c oughs> การปฏิบัติกรรมฐ า, านนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายและไม่ใช่ของยากนะ แต่ ท, ทั้งหลายที่มาเรมาได้ตั้งใจนะคนที่มาวัดเนี่ยมาได้มาหลายประเทศพุตรีทธะมาเนี่มาเรื่องนั่นมาเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่อ ง, อ ง, องคนอื่นเรื่องอะไรที่ปาถะแต่เรื่องท้องตัวไม่เคยนำผาการเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องเรื่องของเราคืออยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ทลาดไม่ละโอกาสอนันดีงามเกิดขึ้น เวลาไม่เวทนาขณะเดินโงงๆต้องหยุดกำหนดเวทนาให้ได้บางคนบอกว่าไม่ต้องกำหนดปล่อยไปตามเรื่องถ้าทางจะรู้เรื่องไหมกานจะรู้อะไรจริงไหมรู้ของไม่จริงเลยขาดความจริงของชีวิตไปเลยเราก็ไม่รู้อะไรเวทนานี่มันเกิดอย่างไรมันโดยธรรมชาตินะเกิดมาจากโดยธรรมชาตินะแล้วทําทไมจะหายไม่ใช่ว่ากําหนดปวดหนอแล้วหายเลย จะ ไ, ได้รู้ว่ามันปวดอย่างนี้กัหนหงอโดยธรรมชาติจังเกิดอย่างนี้ทุกคนไม่มีใครที่ว่าไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ประการใดมันก็มีทั้งปวดทั้งเมื่อยตลอดรายตามเมี่ยทั้งสาธุชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้ทําตามดานี้เดินตรงกลมไปแล้วเกิดไม่สบายใจเกิดเสียใจอะไรขึ้นมาหยุดกำหนดเรียกว่าศึกษาชึวิต มันเสียใจเรื่องอะไรเรื่องสามีเรื่องภรงรยาเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรตั้งแต่ตกข้างไว้ในใจเราก็ากำหนดเสียใจหนอทื่อลิ้นปี น, ะนกำหนดเสียใจหนอพอสติดีเนะี้ยสมาที่ดีความเสียใจเนียก็จะหายไปความดีใจก็มาแทนที่ความเสียใจก็หมดไปเราจะได้รู้ว่าเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราเลย ถ้าไม่เกิดโลกโศโลคาพยาชีเกิดแกตัวเราเองตลอดเลยการไหนเลยเจะรู้เรื่องจริงในตัวชีวิตของเราอ่านตัวไม่ออกแน่นอนต้องกําหนดโกรธใครขึ้นมาขณะที่นางกรรมฐ า, านหรือไม่ในนางกรรมฐ า, านก็าตามถ้าจะโกรธพุ้นเขียวหรือโมโหโทโสอะไรตามนิยภาพตัวสะโมหะตามเรื่องกุศลเกเรในนาประการสุขามก็มองการ ก็ให้กำหนดจีตตั้งสติทั้งปััญญะสี่ลิ้นปีนะ่เนี่ยจเป็นเสียใจโกรธหนอโกรธหนอหายใจยาวๆไว้โคมที่หายใจช้าเน่ยโมโหลายแล้วก็ใจรนะ้อนเราหายใจยาวๆเนี่ยทำให้เราใจเย็นและทําให้มีเวลาคิดเรื่องอะไรต่างๆได้มากมายหลายประการเรียกว่าหายใจยาว วิธีแก้ปัญหานั่นไม่ยากไ่แก้เดีให้ใจยาวยาวเา๋ยให้ใจชัดบางคนเป็นหือถอบมาให้ใจยาวยาวเข้าแล้วตังตะติได้สมาธิดีโรคคือหายไปเลยหายไปได้ยางหน้าอนุมูธนามีหลายคนที่เล่าให้ฟังที่ลงกฎแห่งกรรมไปหลายเล่นโรคคือโรคตัวปอด หายได้อย่างหน้ามูทนาคือกรรมฐานนี่เองเดินพระกรรมฐานขอให้ทำถูกต้องตามที่ธรรมจีแกงสแสดงบรรยายนะบัด น, นี้เนะี่ยเดินตรงกลงได้แล้วตั้งหนึ่งชั่วโมงถึงเวลาเลยเราก็เดินนั่งหนอนั่งหนอลงไปมือขวาทับมือซ้ายหายใจให้ายาวหลับตาดูที่ท้งหายใจเข้าให้ยาว หายใจออกให้ยาวหายใจให้ยาวพระบางคนส่วนมากโดยปกติแล้วหายใจสั้นไม่หายใจยาวแล้วก็โมโหล่ยิ่งหายใจสั้นโดยขาดสติถต่หายใจยาวยาวแล้วมันทําให้มีสติปูสสติดับดิชชอบประกอบกุณชนได้ผลนัานเนป็นหลักฐานย้ำค้ำมิว่กับสติส การปลูกสติให้นีกับตัวเราต้องหายใจยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกให้ยาวๆไว้หายใจเข้ายาวๆท้องจะพองหายใจออกท้องกระยุบดูตรงนี้แล้วไปทงศิษย์ไว้ที่ท้องเนี่ยตามลมห้ใจเข้าออกหายใจเข้ายาวๆข้อท้องหนอ หายใจออกยาวๆพยุตหนอพอดีเราต้องฝึกเอาเองว่าได้จังหวะไหมได้ปัจจุบันหมถ้าไม่ได้จังหวะไม่ได้ปัจจุบันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยไม่ไดาอะไรเลยเราก็ต้องทําตรงนี้ต้องมานั่งทไม่เจ็ของหน้าเรียนหนังสือมหนึ 1, ่งมหกต้องเรียนถึงหกปีเรามาแค่สองวันสามวันมันจะได้อะไรถ้าเราไม่ทําติดต่อไปกลับไปบ้านเรื่อ เราไปบ้านแล้วก็เลิกไม่ทําให้ติดต่อไปโยมจำไม่ได้อะไรเลยเจออะไรแก้ปัญหาเนี่ยคือธรรมทานเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชีวิตเป็นการให้เรามีสติไม่ขาดสัมปชัญญะไม่ขาดจะเป็นการสวดมนต์ก็ตางเส้นพาหุงนาการกามสวดมนต์เรียกาภาวงานเหมือนกัน ภาวานาให้เปิดสตินั่นเองมีสติทั้งปัญญาแน่นอนคุณสุปรถงเล่าให้ฟังว่านักเรียนโรงเรียนเฉมาสลิของเขาเด็กอายุสิบห้าสิบสองขวบนี่ยังไงจาไม่ได้ไปลกมาเล็นก็ให้มาที่วัดเราก็ให้หนังสือไปเรียนหนังสือพาหุม ก, การบอกหนู เราอ่านหนังสือออกไปในโรงเรียนแล้วไอส้สวดนี่นะจะได้มีสติสัมปชัญญะตาหายแตามีกุศลก็ได้หายถ้าไม่มีกุศลอยู่เราจะตายก็เดยมีสติสัมปชัญญะเด็กคนนี้ก็เชื่อทําด้วยความตั้งใจท่องเลยทองอยู่สองครับวันได้แล้วไปเข้าโรงพยาบาลเป็นมะเร็งขั้นสุดทาย จับหนังสือภาวนาตลอดทั้งลมหายใจขาดไปไม่มีการกระวนกระวายใจจะไปกันได้พ่อแม่ไม่ร้องไห้เลยพ่อแม่ดูใจมากว่าลูกตายมีสติสวดมน์กระทั่งขาดใจตายจากโลกไปสู่ซ้ำปริยภพเขาก็ต้องไปสู่สุคติแน่นอนสวดมนี้นี่ยมันเป็นภาวนาด้วย เาโคนไม่เอาเอาหนังสือพาวเมตตาเอาไปอ่านแล้วมาเดี๋ยมีสติอะไรเลยเนาะท่องไม่ได้แล้วก็เอาไปเสียหนังสือเขาด้วยไม่เคยถ้าท่องได้แล้วก็ภาวนาให้มีสติติดต่อกันไปแล้วรับรองท่านจะไม่สร้างความชัว่วเลยแตจะมีสติปัญญาแค่เด็กอายุสิสองปีเนี่ยยังสามารถจะภาวนากับทั่งขาดลมใหายใจไปสู่สุปติปัติการขาม ไปสู่โลกสวรรค์ของเขาแน่นอนที่สุเขาไม่เคยทําบาปทมอะไรมาพ่องได้เอาวนาตลอดแพทย์หมอตกใจบอกว่าไม่เคยเห็นคนตายมากมีกระสับกระส่ายก่นจะขาดลมให้ยใจกระสับกระช่ายมากมายแต่เด็กคนนี้ไม่มีกระสับกระส า, ายเลยตั้งสติตลอดโดยการมโนมมือตลอดสวดมนต์พาหุง ม, มหาการมาทั่งสิ้นลมให้ยใจ พ่อแม่ก็ดีใจไม่ร้องหา้าดทำไมไม่ร้องหา้าดเพราะว่าเขาดีใจว่าลูกเขาไปดีแล้วลูกไปดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่าจารย์ุกประสงค์เล่าให้ฟังบอกโรงเรียนนักเรียนที่โรงเรียนเขาพ่อแม่ดีใจมากแลวหมอถามบอกาตามหนังสือที่ไหนมาสวดกันก็บอกหมอให้ฟังว่ า, ามาจากวัดอัมพวัน รโรงพยาบาลรามาอันนี้ก็เป็นคตาเตือนใจท่านทั้งหลายเหมือนกันบางคนไม่สวดมนต์เลยสวดมนต์ไม่เป็นไม่ต้องอะไรกล่าวเลยเลยแค่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็สวดไม่ได้บางคนก็มาเชิญหมายความว่าทั่วไปบางคนสวดไม่ได้กินไม่เคยเข้าวัดจริงๆชอบถวายปัดใจถวายสังฆทานแต่การช่างบุญว่าใหญ่ใจ การเจริญสติปัฏฐานสติการทําบุญทําง่ายแต่การสร้างบุญสร้างค功德เนี่ยแสนจะยากทําด้วยความลําบากย่างยิ่งก็ขอฝากญาติพี่น้องไว้ด้วยการเจริญวปรัชนาหรือเรียกเจริญสติสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือเจริญสติปัฏฐานสติ กายานุปัชนาติปฐานเรียนลมให้ใจเข้ายาวๆให้ใจอ่อนยาวๆบางคนบอกทําได้แล้วทาให้ดูเพี้ยทำไม่ได้ให้ใจเข้าพองยังไม่ทันหนอก็ยุบยุบยังไม่ทันหนอก็พองอย่างเลยไม่ได้จังหวะหนึ่งแต่เราให้ใจให้ยาวไว้ต้องได้จังหวะเนี่ยแต่ส่วนมากจะอึดอัดในพักให้พักแรก เพาทุกคนไม่เคยหายใจยาวหายใจสั้นๆพอหายใจยาวได้ทําได้ถูกจังหวะดีแล้วก็จะคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วทางใจถูกต้องเป็นธรรมทำอะไรก็ช้าเสียเพื่อได้ช้าเพื่อไวเสียเพื่อได้ช้าเพื่อไวหมายความว่าไงเสียเวลาเพื่อได้บุญ <c oughs> เมื่อได้ช้าเพื่อไวเดินจงกลมทําอะไรช้าๆคู่เหยียดเหยียดแขนเหยียดขาก็ตามกําหนดสร้างสติไว้ช้าๆแล้วทําอะไรไวๆสติก็มีตามไปด้วยคือคล่องเนี้ยทําจนทํานานแล้วแล้วนี่การเดินตรงกลมนั่งภาวนาขณะนั่งภาวนาพองหนอลุกหนอนั้นถ้าปวดเมื่อยตรงไหนเราก็หยุดพองลุกไว้ กำหนดที่แค้งขาที่มันปวดหนอปวดหนอปวดแค่หน้าตาล่วงเลยแล้วนาข้าวนาเข้ า, า, ขาไม่ใช่มันหายนะมันก็ทุเลาลงไปแล้วเราก็กลับมาพองหนอลุกนอต่อไปเสียใจหรืออะไรโกรธอะไรก็ต้องกาหนดหยุดเอาทีละอย่างทีละ อ, อย่างจะเอาหลายอย่างมารวมกันไม่ได้เพราะยังมายอยู่ ถ้าเราทำจนชานาญแล้วหลายอย่างรวมกันได้เลยลู่หนอเท่านั้นลู่หมดเลยลู่หนอที่ตั้งตั้งไวท้ที่ลิ้นสี่คีเดียวได้เลยคือลู่หนอหมายความา ข, ของที่มันทานเป็นอดีตไปแล้วไม่รู้จะ ก, กําหนดว่าอะไรให้กําหนดว่าลู่หนอปวดที่ษะให้กหออําหนดที่ไหนบนที่ษะของท่านนั่นแหละกำหนดปวดหนอปวดที่จสะ บางคนบอกว่าผลที่สาวจะกําหนดที่ไหนเขาไม่ได้เคยมาฟังวนัวนพระวันพระไม่เคยมานั่งกรรมาฐานมาตะวันศุกร์สาวเขาไปแล้วชุดก็ไปแล้วเลยก็ไมไ่รู้เรื่องกันก็ม่ได้อะไรเลยเพราะไปกลับไปแล้วก็เลิกแต่บางคนเนี่ยกลับไปบ้างไม่เดินตรงกรมหาว่าที่ไม่พอ เราเดินแค่นานเดินวงวยังไงกระดาษขอให้เดินจงกรมหน่อยเดินจงกรมสมาธิดีมากสามารถจะสมาธิตั้งนานกว่านั่งจึงต้องให้เดินจงกรมว่ากอง น, นั่งเดินจงกรมก่อนแล้วก็ผูทิยาโยมมาเสมอเสมอนะถึมาก็หลายหลายครั้ง มาเคยไล่เบี้ยบางคนทำไม่ได้เลยมาต้องหลายครั้งไม่รู้มาทำไมมาจะมาด้วยความตั้งใจจุงเลยนั่นไม่ได้มาด้วยศรัทธานะไม่ได้มาด้วยความเชื่อความเมตไฉมาตามเพื่อนนีกแตมาสนุกสนานหรือมาด้วยงานตกงานตกงานแล้วมาก็ไม่ได้ตัางใจรูกว่าทำกรรมฐานนี้ก็จะแก้ไยให้งานดีขึ้น แต่กรรมาฐานไม่ได้เรื่งงานจะดีได้ไหยกรรมาฐาน่าวนาถือการงานกรรมาฐานทำให้รู้กัทางกรรมกรรมฐานทำให้รู้เหตุผลในชีวิตทั้งตนและแก้ไขปัญหาได้ในปัจจุบันเรียกว่ากรรมาฐานเลยมาด่าอะไรยุดต่อไปกลับไปบ้านก็เลิกแล้วแล้วก็ต่อปัจจุบันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ไม่กาหนด ผู้ปฏิบัติกรรมาฐานเราขอเจริญพรต้องกาหนดเราเดินจงกลมหรือเรานอกเดินจงกลมเราจะไปทำงานที่ไหนก็ตามมีอะไรต้องกาหนดตั้งสติก่อนที่จะพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะพูดจะคิดจะดูนประเิทพิจารณาตั้งสติก่อนเสมอกาหนดก่อนเสมอมันไม่มีผิดอย่างงานที่เราทำนั่นก็ไม่พลาดงานนั้นไม่ลหมาดไม่พลาด ด้วยปัญญาเราจะรอบลู่ในกะองการสังขานของเราทุกขณะลมหายใจเขาออกในปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทุกขณะเราจะทำอะไรก็ดีหมดทั้งหมดไม่มีอะไรพลาดไม่มีอะไรที่จะต้องมีความประมาทในชีวิตประการใดเี่ยการเจริญกรรมฐ า, านเนี่มีความสำคัญอย่างนี้การเดินจงกรมมาขอฝาก ญ, ญาติโยมกลับไปบ้านเดินด้วย ก่อนนอนเนี่ยเวลาเยอะแยะไปบางคนก็บอกบ่นว่ามันมีเวลาเวลาที่ไปคุยกันนั่นแล้วก็ไปทํางานที่มันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเอามาทําประโยชน์อย่างนี้ดีกว่าที่จะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่ากั็จะจับประโยชน์แต่ประการใดเวลาเนี่ยชีวิตท่านมีค่าไหมการเจริญกรรมฐานต้องให้ชีวิตมีค่า เวลามีประโยชน์เรามาสร้างความดีการต้องละความชั่วได้ละที่ถือมณะเชื้บางคนก็สามีไม่ชอบไม่ให้ภรรยามานั่งกรรมฐ า, านบางคนก็ภรรยาไม่ให้สามีมานั่งกรรมฐ า, านก็มีมากหลายคนคือการเข้ามันทั่วประเทศมากันหลายหลายจังหวัดทุกคนก็ไม่สนการในหน้าที่และการงานและรับผิดชอบแต่การได้ คนที่มีสติสัมปชัญญะจะรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบงานแต่ตัวเราไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วไหนเลยเราจะไปรับผิดชอบการงานได้จะทํางานทําการอะไรก็ไม่รับผิดชอบขาดสติสัมปชัญญะจะรู้อะไรหรือเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นการสร้างความดีให้กับตัวเองทําให้ชีวิตมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์เป็นการพัฒนาให้เกิดปัญญา การปฏิบัติกรรมฐ า, านติดต่อไปโดยนอะต่อเนื่องเป็นการพัฒนาให้เกิดปัญญาทำให้เรารู้เหตุผลข้อเท็จจริงในตัวเองและจะได้อ่านคนอื่นออกด้วยรู้เท่าทานคนอื่นที่จะพูดมาหรือจะมีงานอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันสามีภรรยาก็จะเป็นเพื่อนกุคลิศไม่ก่บานกันสมปรารถนาทุกประการดังกล่าวแล้ว มันก็เกิดประโยชน์แต่ท่านเองโดยเฉพาะทั้รับการเจริญประกรรมฐ า, านการเดินจงกรมมีประโยชน์สามโลกใครไข้เจ็บมีในตัวหายได้อย่าหน้าจะจำเช่นยคุณลื่นเจ็บที่เป็นมะเร็งกระดูกเดินจงกมรมจนล้างหายหายได้โลกมะเร็งหายได้อยู่มาจน บ, บนัดนี้และการที่สี่อาหารก็ย่อยได้ง่ายและการที่ห้า จะมาธิที่ได้นั่งตั้งได้นานกว่านั่งเดินและค่อยนั่งทำให้นั่งดีขึ้นบางคนไม่นั่งไม่เดินเลยเอาแต่นั่งอย่างเดียวให้มานั่งอย่างเดียวแล้วท่านจะได้อะไรดูจะไม่ได้อะไรเลยต้องเดินก่อนเสมอถ้าหากว่ามีเวลาจํากัดมันจําเป็นจริงๆก็เอานั่งมีเวลาน้อยสักสิบนาทีสิ้านาะที ก็ยังดีกว่าไม่ทำํำเลยซะเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยทําให้เรารู้เหตุการณ์ในชีวิตได้รู้ในครอบครัวของเราได้แล้วคนไหนมามั่งปฏิบัติกรรมฐานมากนั้นไม่ทะเลาะกันไม่มีการไม่มีเรื่องกันแน่นอนเพราะมีสติดีแล้วคนที่ขาสติขาดสมาธิขาดฉัพปัญญาที่มักจะมีเรื่องทะเลาะกัน ความไม่เข้าใจเนี่ครอบครัวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนที่มาที่วัดเราเนี่ยมันก็มีปัญหามาถึงห้าขอ้อหนึ่งครอบครัวสงสุดมาวานก่องนู่นก็นมาร้องไห้อันนี้ก็มาร้องไห้เรื่องสางมีเรื่องภรรยาเรื่องลูกไม่เรียนหนังสือนี่แล้วมันมีแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาในครอบครัวผู้ที่นางกรรมฐ า, านมีแต่แก้ปัญหา ไม่ช้านปัญหาแน่นอนอย่างที่อายากล่าวแล้วณปัจนจะุบัองคนก็เนี่ยหนึ่งรอบชวนฟันสุดสองสติไม่ดีเพี้ยนไปเป็นโลกประสาดกันมากมายเรือเ่องโลกเพี้ยนโลกเพี้ยนโลภประสาทเนี่ยจเจริญสมาธิไม่ได้มานั่งกรรมฐานาไม่ได้แล้วไม่เกิดประโยชน์เพราะเหตุใดเล่าทําไมต้องพูดอย่างนี้ น่าจะมาปฏิบัติได้ตอบได้ทันทีนาะควบคุมสิกไม่ได้พราถติควบคุมสิกไม่ได้เพราะมันเพี้ยนเนี่ยเลยก็เรียกว่าสมาธึไม่เกิดสติไม่ดีเลยก็ไม่รับทางเข้าปฏิบัติได้คนประเพศนี้มีมากมายเยอะเกินทั่วทั่วไปผิดหวัง ก, กับชีวิตอาการที่สามลูกมาเรียนหนังสือก็มีแต่ปัญหาลูกไม่ยอมเรียนหนังสือเลย วันมาวานนี่ยังไงลูกหนีไปเรียนยังเสือลูกสาวหนีไปบ้านเพื่อนแล้วไม่กลับเลยขาดโรงเรียนอีกด้วยเนี่ยมันเก็นกันอย่างนี้บอกเคยสวดมนต์ไหว้พระไหมไม่เคยสวดก็มีบางคนไม่เคยสวดเลยถ้าพ่อแม่ดีนะสวดมนต์ไหว้พระลูกจะเป็นยาเจ็บเจ็บหรือจะเป็นอะไรก็ตามพ่อแม่ดีเช่อย่างเดียวสร้างความดีกับลูกทํำถูกกับหลาน รักให้ถูกวิธีตาความดีลูกดูเท่านั้นรับรองลูกข้าดีแน่นอนไม่เสียหายเนี่ยน้ำคัญมงคอนโมโหลล่ด่าลูกตีลูกแฉ่งลูกทะเลาะการบ้านนะเป็นอัปมงคลไม่เป็นมงคลชีวิตแต่แต่การดาชีวิตนี้ก็ไล่สาละขาดเหตุผลตลอดเลยการไหนเหลือแลชีวิตนี้จะมีผลงานต่อเหตุการณ์คนชีวิตในปัจจุบันได้ ไม่เกิดประโยชน์ตัวผลแต่ระการได้ออกมายัางนี้ชัดกเจกนอ่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการสร้างสังสร้างชีวิตใหม่มหัดเดินใหม่เดินให้มีสตินั่งมีส ต, ติเดี๋ยวซ้ายแลวขวา ม, มีสติไม่ประมาททำอะไรด้วยความไม่ประมาทไม่ทาดช้างโดยดูใบวิธีที่พระอาารสอนเรียกว่า ทานามัยศีนามัยภาวนาไมยชอบอึ่งกรณ์ น, นี้ทั้งสามประการ น, นี้ทานามัยก็ทําให้เป็นเป็นผู้เสียสละได้อย่างดีบริจาคทานด้วยการกําลังศรัทธาที่ท่านทําที่ไหนก็ตา่างลอยเคลนจากทานามัยศีนามัยก็คือมีสติสัมปชัญญะอยู่การเจริญกรรมฐ า, านอยู่ในกรรมฐ า, านหมด ครบเครื่องอยู่ในกรรมาฐานภาวนาเนี่ยต้องการให้เกิดปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้สามหลักเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างทำให้มีสติดีทำให้มีสมาธิดีและความเล่นลับที่มันมีอยู่ในจิตใจที่เราคิดมางานคิดไม่ตกลงไม่ได้มันก็จะหายไปแล้วก็จะไม่มีกัวงวลเรื่องอะไรทั้งางนั้นนะเกิดขึ้นแต่ตัวท่านเองดยเฉพาะ พระโคนเนี่ยติตไม่สงบเลยทําไม่ฝึกสมาธิตั้งกรรมฐานติดจะไม่สงบจิตไม่สงบมันก็มีแปดอการหนึ่งมีไม่พอสอนใช้เวลาว่างเกินไปถ้าเวลาว่างเกินไปสามถูกเบียดเบียนจิตใจสี่อวัยวะไม่ตั้งยู่อวางเป็นปกติห้าโใครัไข้เจ็บเบียดเบียนตลอดรายการ หถูกสิ่งแวดล้อมดึงไปทางชั่วเจ็ดครอบครัวหาความสุขไม่ได้ทะเลาะกอันตลอดเลามแปดมัวเมาเอาบายมุขหาความสนุกในสังคมแต่ตะ ก, การเนี่ยผิดท่านจะไม่สงบหาความสงบในชีวิตไม่ได้เลยและผิดเป็นสมาธิไม่ได้ของมิเตตะการคือไม่เป็นสมาธินั่งไม่ถูกวิธี ตามคาสอนนั่งทรงเดชไปบางคนก็ไปนั่งเอาเองไม่มีครูบาอาจารย์นั่งตามมือเลยก็ไปกันใหญ่เลยก็ตเตลเืดตปวดเพงไปใหญ่เลยจิตไม่เป็นสมาธิเลยจิตแตกไปเลยก็มีหลายคนที่เล่าให่อัตมาฟังจิตไม่เป็นสมาธิคือหนึ่งนั่งไม่ถูกนั่งไม่ถูกวิธีสองจิตตกกังวล กังวลเรื่อ ง, น, องนั่นกัวงวลเรื่องนี้ตึงก็ไม่ได้น้อยก็ไม่รับสมาธิก็ไม่เกิดเพราะไม่มีสติทั้งประชันยะแต่แต่การได้เพราะไม่เคยฝึกไม่เคยฝึ ก, ไ ม, กไม่เคยปฏิบัติและการที่สาจากที่เราสมาธิไม่เกิดนั้นตกติดตกตกักงวลแล้วนี่มีมเหนื่อยมาก เหนื่อยตายเหนื่อยใจสมาธิจะไม่เกิดทำก็ไม่ได้ต้องไม่เคยฝึกจึงต้องฝึกกรรมาฐานถึงจะเกิดขนอย่างนี้เกิดโรคภยัยค่เจ็บก็ทำยังไงสมาธิก็ไม่เกิดอาลาค้าเกิดหกโทษสาเกิดเจ็บอลรกับมากระทบอย่างแรงเจะการนี้สมาธิไม่เกิด ถ้าเราไม่เคยฝึดแต่เราฝึกแล้อารมณ์จะมากระทบยังไงเราก็ไม่ท้อถอยเราก็ตั้งสมอธิล้วกําหนดเวทนานุปักปราก็กําหนดนงมีสุขกับเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนามีสามอย่างสุขก็ต้องกําหนดทุกข์ก็กําหนดเวทนาเกิดขึ้นปวดเมื่อยก็กำหนดดีใจก็ต้องกําหนด เดี๋ยวจะเดินไปดูยความประมาทอเบขาวเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์จิตใจก็แหลบไปที่โน่นแหลบไปที่นี่ตลอดเลยการเลยก็ขาดสติปัญญาจึงต้องกำหนดนี่คือเรีย ก, กวเวทนานุปัฏนานมีอสามกระการสามจิตานุปัฏนานาที่ประถามคือเป็นธรรมาชาติของพื้นอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ระยะ น, นานเหมือนเทปบดทึกเสียง จิตไม่มีตัวตนที่คลำได้เกิดที่ไหนจิตเกิดที่ไหนเกิดที่ทวานหกตาหูสมุขปีนกาจันตาเห็นลูกล้วก็กําหนดว่าเห็นหนอถึงอะไรก็ตามกําหนดเห็นต่างเขาถือว่าจิตตาเนี่ยจิต อ, อดไปเห็นหูดูยิงเสียงเกิดติดที่หูเราก็กำหนดทั้งหูว่าเสียงหนอเสียงหนอโขอดาเขาว่าเรา อย่างไรแล้วอย่าไปรับอย่ารับมาไว้ในจิตใจของเราไม่ได้ทําให้เกิดกิเลสในนาประการทําให้สร้างหมองเปล่าวิธีแก้จิตเกิดทั้งนี้อื่นเหม็นกลิ่นหอมจิดเกิดทางจมูกลิ้นรับรสเปรี้ยวหวานมันเต็มก็เกิดจิตทั้งนิ้นกายช้ำผัาร้อนหนาวอ่อนแข็งก็เกิดจิทตทางกายโดยทวารหก เราก็กำหนดมีสติสัมปชัญญะไว้เสมอที่ปฏิบัติ ง, ง่ายๆโดยไม่อยากนะไม่และท่านทั้งหลายการปฏิบัติกรรมฐ า, านจะมีประโยชน์แก่ตัวท่านเองอยู่ก็เพะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยบางคนมาลูกแมวไหนไม่เรียนหนังสือแต่บางคนมีแค่สามขวบรือขวบ สวดชินะ บ, บัญชรสวดทาง ม, มาตาได้อยู่คนแกน่หลายปีมาแล้วด้ห้าหกเจ็ดปีแนละ้วสวดมนต์ได้พ่อพ่อแม่เขาดีเขาสวดมนต์ทุกวันลูกก็มานั่งด้วยลูกก็ทําตามเป็นพ่อแม่ที่ตัวอย่างที่ดีสร้างความดีกับลูกทําถูกับหลานรักให้ถูกวิธีทำความดีให้ลูกดูตลอดเลยการลูกสวดชินะ บ, บัญชรได้ สวสดพรามณกาได้เดินวิ่งเรียนหนังสือแท่งพารตลอดเลยต้องอยู่ค้นแข่งแต่มาไปที่ศูนย์ไปเจอเ่าเลยให้รางวันไปนพันบาทนี่แหละท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายหนามแหลมใครเชี่ยมมะนาวกรงเกลี้งยงใครไปตึงบางบ้างลูกแมวหายเชียงคอเชียงแม่ทําไมา่ตกฟ้าอย่าไปทอดเด็กเลยทอดพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ดูอยา่าเขาจะ่าข้างแบบที่ดีให้กับลูก างความรู้ความเข้าใจแล้วพาลูกสวดมนต์ไหว้พระรับรองลูกดีหมดทุกคนตั้งแต่เล็กๆไม้หอนบออ่อนนะกเกิดประโยชน์ในชีวิตมันแก่แล้วไปดัดไม่ได้แล้วเราต้องสอนตั้งแต่เล็กๆตาแต่อยู่ในครรภ์พยังตั้งครังแม่ก็สวดมนต์ภาวนาสักทำบุญตักบาตรทานามายัยใจช่นํามันภาวนาไว้ลูกดีหมดทุกคน ลูกเด็ดึกได้ดีหมดทุกคนแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยสําคัญอย่างยิ่งบางคนก็ไม่สนใจข อ, ขอให้ญาตโยมมาก็ไม่มากมายนะักขอให้สนใจทราปฏิบัติสามผู้ที่แนะนนามสั่งชอนเดินตรงกรมให้ถูกและให้ชาดอย่าเดินไว้เดินให้ไดกจังหวะปัจจุบันอดีตแมวนาคตรแมวรับรองได้ผลแน่ เดินเข้าสติก็ดีใหม่ๆเนี่ยศึกมันก็แลกแล้วไม่เคยบางคนมาเคยหลายเที่ยวแล้วก็ยังทำไม่ได้เพราไม่สนใจมาหลายเที่ยวก็ชิงแย่แต่ทว่าไม่เด็ดตั้งใจทำทำอะไรขอให้ทำด้วยความตั้งใจเธดจะได้ผลสองทำด้วยความพลุ่ ที่เราตั้งใจมาแล้วค็รบตัวเองที่เราพูดแล้วเรารับกรรมาฐานแล้วรับสิ้นแปดแล้วด้วยความเคารพตามบักติการนะนั้นหมายกันไหวในสําหรับกรรมาฐานทําด้วยจิตสงบอย่าพุ่งวายอย่าพุ่งใจทําด้วยความถูกต้องถ้าผิดอย่าไปทำน้องคนก็ไม่เอาบางทีมาเนี่ยมาเจริญกรรมาฐานกันเนี่ย น้อยมากที่มาที่อศรัทธาตอนะมาที่สังเกตมาเพ็นาหลายปีแล้วบางคนนี้มาได้ผนกลับไปแล้วได้ผลลูกตาวดีหมดเรี้ยงคาดได้เป็นด็อกเตอร์หลายคนทําให้ลูกตัวว่าลูกคนไหนจะดีควรจะเรียนอะไรจะประสบอะไรความสุขนั้นจะประสมประสบสุขได้ทุกทุกไหนประการใด เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแบบลูกแผนให้ลูกในข้เริ่อสร้างความดีกนมีปัญญาสมปารธนาดังกล่าวมาเช่นเดียกันขอฝากญาติโยมไว้ที่มนุษย์ต้องการในชีวิตเนี้ยก็มีศิสการขอให้ทำเนี้ยมาจากกรรมฐานทั้งหมดที่มนุษย์ต้องการหนึ่งความรักไม่มีใครเลยไปไหนอยากให้เขาเคลียมีแต่อยากให้ท้นรักสองความนิยมชมชอบ 3. ความเลื่อมสายศรัทธา 4. ความมีมัจจิภิิมิจภาพห้าความเอาใจใส่หความเคารพนับถือเจ็ดความเมตตาแปความเห็นอกถึงนใจกัน 9. ก้าความเป็นกันเองสิบความเป็นธรรมชาติถ้าไคเจริญกรรมฐ า, านได้สิบข้อไปไหนมีจจควรนยงชมชอบ ไปไหนมีเจะาคนรักคนทักคนชมคนชื่นชมยินดีไปบ้านท่านจะดูได้ป้ายัวปั้นควายโตดดรโดขดโยดให้เจ้าบ้านครับบ้านกจ้างบ้า น, นกระช่อกคือความรัก <c oughs> จะได้ผลยังสงฆ่าศาสนาดังกล่าวมาทุจราตขอฝากญาติโยมไว้ในโอกาสอันเป็นมงคลชีวิตอยองได้มีชีวิตสดชื่นในการจเจริญกรรมาฐาน เพราะฉะนั้นความดีเป็นศัตรูชีวิตกันความดีเนี่ยเป็นศัตรูเงินทองแบรนโซลพิษจึงต้องอยากหน่อยนะต้องพยายามอดทนหน่อยก็ขอให้หญ้าโยมหญิงโยมชายทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติมาวังโกนมาวันพระจะออกวังโกนวันพระหน้าต่อไปเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ขอให้ชีวิตสดขึ้นต่อไป วันนี้วันพระทามองสวนะแลมแปดก้ามเดียนวิเศเนี่ยมีข้าวภาษามาเมื่อเร็วๆนี้เองออกภัษาเนี่ยามาเหนื่อ ย, ยากย่างไงก็เราต้องไปสอนต้ า, น ใ, ดดดดต า, าในโบสจบเก้าสิบกันตะขาถาในวินัยพิดกมาจากในพระปฏิโมกตลอดเก้าสิบวันในโงอุโบสถตลอดมาจนออกภาษาดูเ่ียกว่าเวลามันน้อยเหลือเกิน ถ้าเราไม่สนใจกับเวลาหรืความทุกข์จะรู้สึอว่าเวลามันมากเวลาจะหมดวันหมดคืนมันหมดไปใช่ไหมคิดอย่างนี้สําหรับบุคคลที่ไร้สาระขาดเหตุผลสุดท้ายนี้ขอฝากญาติโยมญาลืมทานานา้ำมศีลใหม่ภาวนาใหมบุญขํามเดชโดยการบริจาคทานและช่วยเหลือโดยกายกําลังกายกำลังใจศีลใมมย เห็นกำหนดสําเร็จด้วยกามีสติสัมปชัญญะถรือน้าใหม่สาเร็จด้วยกามีสติสัมปชัญญะคือการกรรมฐ า, านภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการภาวนาตั้งจิตสัมปชัญญะด้วยการกําหนดภาวนายืนเดินนั่งนอนหเห ย, ยื่อกล้เละขวาเพื่อหยุดขาดังกล่าวมาทิจกการณ์คือท้ายนี้ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลาย เรามาตั้งใจปฏิบัติกระรมาฐานขอให้ตั้งใจทําภายในเจ็วันนี้เราจะได้มากในสมสมฆาปัฏฐานายาวแล้วทุกประการด้วยอํานาจบุญกุศลและอํานาจคุณปฏิาายัติพลังกายโดยการคลองกายให้นักปฏิบัติธรรมทุกท่านทรงประสบกความสุขความเจริญล่งเรี้ยงในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอทุกท่านทรงเจริญด้วยอายุวันนาภุคขาพราปุขาณนาสารสมบัติ นึเกเพยงหน่งจะการได้สงความมุ่งมาศัพนาด้วยกันทุกลูกทุกนามณโอกาสบัดนี้เชิญขอเจริญพทกทุกท่าน